เรคุณเจ้าแดนแห่งนี้แหละเรียกว่าชิมพรีนรกหรือนรกต้นยิ้วที่บรรดาชายหญิงผู้ไม่รู้จักอิมในกามเทียบประพฤตินอกใจสามีประพฤตินอกใจภรรยาไปเสพสุขกับคนที่เขามีเจ้าของเออบางคนก็ถึงกับไปข่มขืนประพฤติผิดกับบุตรภรรยาของผู้อื่นสิ่งเหล่านี้แหละ จะทำให้เขาต้องมาตอกนรกต้นยิ้วหรือชิมพินรกแห่งนี้ล่ะพระคุณเจ้าเอ้ยกวาดีก็ในขณะนั้นนายนิรยบาลก็ได้อมีดหอกดาบไล่ฟันสัตว์นรกต่างๆให้รี่ปีนป่ายขึ้นต้นยิ้วเหล่านั้น เมื่อปีนขึ้นไปแล้วหนามของต้นยิวนั้นก็จะทิ่มแทงสัตว์นรกต่างๆให้ได้รับความทุกข์ทรมานท่งเสียงร้องคล่ำครวญอยู่ดังรั่นท้ายสุดแม้ไม่เพียงแค่นี้ก็ยังมีสุนัขนรกได้วิ่งกลู้เข้ามากัดขย่ำสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นให้ได้รับความทุกข์ทรมานอีกด้วย สัตว์รกตัวใดวิ่งช้าปีนป่ายต้นไม้ต้นยิวนี้ช้าก็จะถูกทําร้ายอย่างนี้เมื่อรีบปีนป่ายขึ้นความทุกข์ทรมานจากควากหนามที่ฝ่าขึ้นไปนั้นก็จะทําให้แขนขาลำตัวเต็มไปด้วยเลือดเปลวไฟที่ลุกโพรงอยู่บนต้นยิวนั้นและมีหนามอันแหลมคมนี้ทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจะตายก็ตายไม่ได้ เวียนปีนขึ้นแล้วก็ปีนลงปีนขึ้นปีนลงอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ได้กระทำไว้ตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซสืบได้ด้วยกรรมพระคุณเจ้าครับเออสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่สำรวมในกรรมแล้วก็ได้รับโทษทันอย่างที่ท่านได้เห็นอย่างนี้และ พวกเขาจะได้ปีนต้นนิี้ยวอย่างนี้และจะหมดเวหมดกรรมเมื่อใดล่ะอ้ออีกนานเลยพระคุณเจ้าบางพวกนั้นมีจิตนอกจากจะประพฤติผิดในการมแล้วบางคนถึงกับไปทำร้ายร่างกายอื่นอีกบางคนก็ไปฆ่าภรรยาหลวงบางคนก็ฆ่าภรรยาน้อยบางคนก็ฆ่าสามีนอกจากจะผิดศีลข้อที่หนึ่งแล้ว ยังจะต้องผิดิีรข้อที่สามอีกและข้ออื่นๆอีกเออรู้สึกว่าหลายกระทงจริงๆโทษทันเหล่านี้ก็ทำให้สัตว์ตลกเหล่านี้ได้รับโทษจากตลกขุมหนึ่งเมื่อหมดจากขุมนั้นแล้วก็มาตกนรกอีกขุมหนึ่งเมื่อตกนรกขุมนี้แล้วก็ไปตกตลกขุมโนนเออเป็นอย่างนี้แหละพระคุณเจ้าเอ้ย เรื่องเกี่ยวกับรถในกามมนุษย์ทั้งหลายน่าจะมีความรู้จักเพียงพอไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตให้มากมายในเรื่องของการราคะมากมายไปทำไมสมองน่าจะคิดในเรื่องของบุญกุศลบ้างเอาลักแรบพระกุลเจ้าเออนิมนต์ไปดูนรกขุมอื่นต่อไปเถอะครับ ตอนแล้วเท้าพญายมราชก็ได้พาพระมลัยเดินทางมาสู่นรกอีกคุ้มหนึ่งนรกคุ้มนี้มีสัตว์นรกต่างๆมากมายจำนวนมากจนไม่สามารถจะนับประมาณได้ว่ามีกี่ตัวกี่ตนกันแน่สัตว์นรกเหล่านี้จะมีรูปร่างพร้อมกร่ลองกองหิวโซแล้วก็เอานิ้วมือของตนซึ่งมือเล็บยาวเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบ เชื้อเฉืนเนื้อตัวเองแล้วกินเป็นอาหาร <S <S สัตว์นรกเหล่านี้ตะกุยเนื้อตัวเองกินเป็นอาหารแล้วก็ยังไม่อิ่มน้ำสำราญนักบางทีก็ตะกุยเนื้อของสัตว์อื่นแย่งกันฆ่ากันโดยการฟาดฟันด้วยนิ้วของตนเองเป็นอาวุธ นื้วของสัตว์นรกเหล่านี้บางทีเป็นมีดก็มีเป็นดาบก็มีเป็นห อ, อกก็มีความคมของมันนั้นสามารถตัดอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆได้สัตว์บางพวกเมื่อล้มขาดใจตายแล้วก็ได้ลุกขึ้นมาใหม่กระฟื้นมีชีวิตชีวามีเนื้อหนังมังสาขึ้นมาใหม่ แล้วก็ตระกุยขากถางกินเนื้อของตนพระคุณเจ้าผู้เจริญเออในนรกขุมนี้มีชื่อเรียกว่าอสินขะนรกและพวกเขาทำกรรมอะไรมาดอกลึถึงจะต้องมาได้รับผลกรรมแบ่งเนี้ยแน่นอนพระคุณเจ้า ได้เคยทำกรรมอันลามกจริงๆพวกเขาเหล่านี้บางตนก็เคยเป็นข้าราชการโกงบ้านโกงเมืองประกอบธุจริตอรับชัานหรือเอาของสาธารณกุศลมาเป็นของตนเองก็ต้องมาชดใช้กรรมกินเนื้อกินเลือดของตนให้เจ็บแสนทุกข์ทรมานแบบนี้แล้วกษัตริย์บางพวก ก็เคยเป็นนักเลงเป็นคนใจพานเป็นโจรบ้างก็มีแล้วก็อมมีดเอาดาบไล่ฟันหรือเคยเป็นแก๊งกวนเมืองทำให้ประชาชนเดือดร้อนเออพวกเหล่านี้ทำ<ว><ว>ความเดือดร้อนแก่สังคมแก่สาธารณะทั่วไปพระคุณเจ้าครับเห็นแล้วรู้สึกอย่างไร ทำไมท่านน่าสงสารอะไรอย่างนี้คนพวกนี้เนอะเมื่อได้ทำกรรมลงไปแล้วต้องได้รับสวยผลกรรมแบบนี้ทำไมเขาไม่คิดก่อนบ้างหรอกด้วยพระคุณเจ้าเออคนพวกนี้บางทีไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเสียด้วยซ้าไปบางครั้งก็หัวเราะเยาะกับคนที่มีศีลมีธรรมว่าจะรักษาศีลไปทําไมจะให้ทานไปทาไม จ ะ, จะเจริญภาวนาสดม น, นไปทำไรง้งมไงเขาดูถูกแบบนี้มีมิจฉาทิฐิแบบนี้จึงได้ทำกรรมต่างๆนานาอย่างที่ตนเองได้รับทุกโทษอย่างนี้ละครับเอาละพระคุณเจ้า ข้าพเจ้าจะพาท่านไปชมนรกคุมอื่นต่อไปดีกว่าเพราะว่ายังมีนรกอีกหลายคุม้มโดยทีเดียวจริงสินะอาตมามาที่นี่ก็หนาแล้วเอาเถอะเวลาก็ผ่านไปเร็วอาตมาขอชมนรกคุมอื่นต่อไปดีกว่านิมนต์พระคุณเจ้าโกรธตามข้าพเจ้ามาเถิด จากนั้นท่านเท้าพญายมราชก็ได้พาเดินทางมาอย่างนรกลกุ้มอื่นขุมนี้มีกำแพงเหล็กกว้างใหญ่ทันทีที่ประตูถูกเปิดออกพระมลาาัยก็ได้เห็นสัตว์นรกต่างๆมากมายถูกนายนิยรยาบาลบังคับให้นอนลงบนแผ่นเหล็กที่มีเปลวไฟลุกเป็นโพรง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 นี้เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ไม่สามารถจะอธิบายได้หลังจากนั้นประมาลยัยก็ได้ไปพบนกอีกคุ้มหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกเดียวกันแต่เป็นแดนที่มีภูเขาเป็นกำแพงห้อมร้อมและวิธีประหารของสัตว์รกต่างๆเหล่านั้นก็แตกต่างกันไปโดยใช้ไม้มันทัดเหล็กโตเท่าลำตาล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 ที่มีเปลวไฟลุกเป็นโพรง์งมัดมือมัดเท้าแล้วจับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กแดงนายเนยรยาบาลก็ได้เอาคอ้อนเหล็กอันใหญ่โตทุบกระนำตีต่อสัตรสต่างๆเหล่านั้นทุบศรีรษะมันสมองก็แตกกระจายทุบมือทุบเท้าทุบลำตัวต่างๆเลือดไหลนองร่างกายบดบี้แบนไปตามๆกัน นอกจากนี้ยังมีนายนิยรยาบาลได้จับสัตว์นรกที่ถูกมัดด้วยลวดไฟจับย่อนลงไปในหลุมที่ลึกแค่เอวชัพพันใดก็มีลูกกลิ้งทรงกลมขนาดใหญ่มีเปลวไฟลุกโดยโชดช่วงไหลกลิ้งมาทับบดขยี้สัตว์นรกเหล่านั้นให้แหลกแหลวบี้แบนไปราวกับรถบดถนนและบดคนฉะนนั้น ต่อจากนั้นท้าพญายมราชก็ได้พาพระเทระไปชมนรกขุมอื่นต่อไปนรกขุมต่อไปนั้นก็คือโรรุวะมหานรกสัตว์นรกในแดนนี้ต้องสวยทุกเวทนาในดอกบัวเหล็กแล้วก็มีวิธีสวยทุกก็แปลกประหลาดนั่นก็คือนอนคว่าหน้าอยู่ที่กลางดอกบัวเหล็กอันใหญ่โตแล้วมีเปลวไฟลุกโฉดช่วง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 นี่เนี่ยท่านทา้าวพญายมราชสตัตว์โลกเหล่านี้อาตมาเห็นแล้วน่าสงสารจังเลยอาตมาก็ได้เห็นอยู่เปลวไฟแลบเข้าหูซ้ายและออกรูหูขวาแลบเขารูหูขวาออกรูหูซ้ายบางทีเปลวไฟก็แลบเข้าช่องปากออกรูจมูกบางทีเข้ารูจมูกแล้วก็ออกทางตาบางทีเขาออกทางตาแล้วออกมาที่ปาก ออกผ่านทางทวารต่างๆช่างน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งพระคุณเจ้าผูเ้เจริญเออสัตว์ตวนร<ล>กที่ได้มาเสวยกรรมในโรรวะมหานรกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารเสียงร้องไห้คร่ำครวญของเขาไม่สามารถจะทำให้ความเจ็บปวดของเขา บรรเทาทุกข์ลงไปได้เลยเขาถุกปรพรมาณอย่างนี้จวบจนครบอายุไขคือ4ี่พันปีนรกในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาก็เท่ากับสองร้อยสาสิบสี่ล้านปีในเมืองมนุษย์เออพระคุณเจ้าผู้เจริญสี่พันปีนรกก็ลองคูณดูสิครับว่ามันจะยืนยาวขนาดใด ไม่รู้ว่าจะสามารถอ่านค่าของตัวเลขได้อย่างไรเลยทําไมช่างยืนยาวถึงขนาดนี้เล่าจริงๆแล้วนรกขุมอื่นๆนั้นก็มีอายุของนรกแต่ระนรกนั้นไม่เท่ากันส่วนมากแล้วก็จะยืนยาวนรกบางขุมก็ยืนยาวกว่านี้ก็มีบางขุมเป็นอันตรกับ หรือเป็นกับกับก็มีแต่รูปความว่าไม่สามารถจะประเมินได้เลยว่ายืนยาวสักเพียงใดเพราะว่าเวลาของทางโลกกับเวลาในเมนรคนั้นแตกต่างกันมากนิมนต์พระคุณเจ้าไปชมนรกคุกอื่นต่อไปเถอะครับ ต่อจากนั้นท้าพยายมราชก็ได้พาพระเถระไปชมนรกคุบอื่นต่อไปนรกแห่งนั้นจะมีสัตว์นรกต่างๆถูกนายนิรยบาลเอาเหลาเหล็กใหญ่โตเท่าลำตาลแล้วก็เสียบเข้าที่ทวารหนักทะลุถึงศีรษะเบื้องบนแล้วเอาเหลานี้ไปปิ้งเผาไฟในนรกสัตว์ต่างๆเหล่านั้นได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส ซึ่งเปรียบเหมือนถูกย่างทั้งเป็นนั่นเองจะตายก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ได้กระทํามาเอ๊ะท่านพญายมราชที่นี่นรกขุมอะไรเล่าทำไมรู้สึกว่ากว้างใหญ่มากกว่านรกขุ ม, มอื่นอีกมากมาย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 นรกที่ได้มาเกิดในนรกขุมนี้นั้นก็ล้วนแต่ได้ทกำกรรมอัลลามกอันหยาบช้าเกินกว่าที่จะให้อภัยได้เลยแม้แต่บิดามารดาของตนผู้มีพระคุณเขาเหล่านี้ก็ยังหลงกระทกำทกรรมทำร้ายหรือฆ่าบิดามารดาของตนเองเออช่างน่าสังเวชเป็นอย่างยิ่ง บางพวกก็ทำร้ายพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลทำร้ายพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าบ้างก็ยุยงสงฆ์ให้แตกกันสัตว์นรกที่อยู่ในอเวจีมหานรกนี้จะมีลำตัวสูงใหญ่ ดั ง, งที่ พ, พระกุณเจ้าได้เห็นแล้ว <มา S 2> นะครับใช่สิสัตว์นกเหล่านี้มีตัวขนาดใหญ่มากที่ศีรษะมีแผ่นเหล็กแดงหนุนอยู่เบื้องล่างตั้งแต่หัวตะตุ่มลงไปก็จมอยู่ในแผ่นเหล็กแดงตะปูไฟใหญ่เท่าลำตาลต่อตรึงมือทั้งสองข้างไว้กับฝาเหลาเหล็กไฟก็ได้แทนทะลุเบื้องซ้ายไปยังเบื้องขวาเบื้องหน้าไปยังเบื้องหลัง แล้วก็แทงที่ศีรษะทะลุมายังเบื้องล่างไม่มีการกระดูกระดิกเลยช่าง น, น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งบุคลบคลที่ได้เคยคกระทำบาปกรรมในอริยบทใดก็ย่อมได้รับเสวยผลกรรมในอริยบทนั้นบุคลบค ล, บ, คลบางคน กระทำกรรมโดยอาการยืนครั้นมาตกในนรกขุมนี้เขาก็ต้องยืนรับทนทุกพรมานบางคนนอนกระทำความชั่วครั้นมาตกในนรกขุมนี้ก็ย่อมเสวยผลกรรมในอริยบทนอนไม่ว่าจะเดินยืนนั่งหรือนอนโดยอาการอย่างใดกรรมเหล่านั้นแหละจะทำให้เขา ต้องมาเสวยผลกรรมในอริยบทในอาการนั้นๆพระคุณเจ้าเอาละอาตมาก็ได้ชมนรกต่างๆมากมายเพียงพอแล้วถึงแม้จะไม่ครบขุมทั้งหมดก็ตามแต่เอาเป็นว่าอาตมาอยากจะถามโยมสักหน่อยหนึ่งเถิด อ๋อพระคุณเจ้ามีความสงสัยประการใดครับอาตมาอยากถามว่าก้นในนรกนั้นมีมากมายหลายขุมแล้วท่านจะดูแลนรกต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเล่า